คำว่าทรรมคือพิกษุน์ทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทาต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ทาต้องอาบัตปัจจิตีเพราะได้มาต้องตัดออกเสียก่อนแล้วแสดงอาบัต